ทนต่อความเพ่งพินิษฐ์อยู่ฉันทะก็ย่อมเกิดเมื่อฉันทะเกิดแล้วย่อมอุตสาหะเมื่ออุตสาหะแล้วก็ย่อมไตร่ตรองเมื่อไตรตรองแล้วก็ย่อมตั้งความเพียรเมื่อตั้งความเพียรแล้วย่อมทําให้แจ้งซึ่งบรมสัจจะคือเห็นแจ้งในทุกสมูทัยนิโรธมรรตและเห็นแจ้งบรมสัจจะแล้วคือก็จะได้แทงตลอดปรมัตาสัจจะคือพระนิพพานด้วยปัญญา จะได้อนุปาทาปรินิพานเสียทปัญหาคือว่าถ้าศรัทธาไม่เกิดนะถ้าเบื้องต้นไม่มีศรัทธาเลยนี่นะหรือตั้งศรัทธาไว้ผิดเนี่ยนะนะการเข้าไปใกล้มันมันก็ไม่ใกล้อ่ะมันนั่งอยู่เนี่ยถ้าศรัทธาในพุทธเจ้าไม่เกิดเข้ามานั่งเนี้ยเหมือนนั่งใกล้แต่ก็ไม่ได้ใกล้เมื่อนั่งใกล้ ก็ไม่ได้เงียสอดดูเหมือนเงียสอดก็ไม่ได้ฟังธรรมดูเหมือนฟังธรรมก็ไม่ได้พิจารณาธรรมแล้วก็ธรรมนั้นก็ไม่ทนต่อการเพ่งจะไปเอามาเพ่งได้ยังไงก็ฟังก็ผ่านผ่านฉะนั้นถึงบอกว่าการอุตสาหาการไตรตรองการตั้งความเพียร น, นั้นๆไม่มีแล้วถ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่มีแล้วตั้งแต่สตทธา เธอทั้งหลายย่อมเป็นผู้ปฏิบัติผิดพลาดย่อมเป็นผู้ปฏิบัติผิดย่อมเป็นผู้ห่างไกลจากทาวินัยนี้ความพ้นทุกข์ไม่มีแกเธอทั้งหลายคนว่าความพ้นจากสังสารวัฏไม่มีแกเธอทั้งนี้จบเลยมองเห็นไหมนี่เป็นอย่างนี้ก็ก็พ้นทุกข์ไม่ได้ก็ท่องเที่ยวไปมา ก็เป็นเรสัทธ์ที่ยินดีในวัฏตะทั่วไปแต่ร้อนจริงโว้ยก็บอกว่าวันทุกมากทุกมากสมหวังผิดวังเศร้าใจเสียใจดีใจได้ลาบเติ่อมลาบได้ยอดเติ่อมยศกรือหวาดไหนู้นี่ก็ท่องเที่ยวไปมาอยู่ใช่ไหมเรียนอย่างนี้ทีนี่ว่าก็คือว่า ฉะนั้นภาวะที่ไม่รู้ไม่เข้าใจสภาพทรรมามความบินความลุมล่มหลงเชื่อโมหานะวิชานี่จะแทงเนี้ยแท ง, ทงก็ไปทิ่มไปแทงโมหะคือทําที่เป็นปฏิปักษ์ฉะนั้นแสงสว่างที่เกิดขึ้นเนี่ยกำจัดความมืดชั้นใดวิชาคือตัวปัญญาเกิดขึ้นก็กําจัดโมหะคือความมืดบอดที่สิ้นไปฉะนั้นโมหานี้บางท่านก็เรียกว่าวิชาเพราะเป็นไปพรตรงกันข้ามกับวิชาใช่ไหมถ้าเราเรียนวิชาแปดวิชาของพุทธเจ้านี่นะเกิดขึ้นมี เป็นปฏิบัติโมหะเป็นปฏิปกัปปปกษ์ต่อวิชาเพราะโมหะอีกชื่อหนึ่งก็คืออวิชาใช่ไหมอวิชาก็คือทำที่เป็นปฏิบัติต่อวิชาทีนี้วิชาก็จะทิ่มแทงทิ่มแทงโมหะเนาะก็เขาเป็นปฏิบัติต่อกันฉะนั้นทุกบอกว่าวิชาเพราะเป็นการได้สิ่งที่ควรได้ ถ้าจะถามว่าสิ่งที่ควรได้นั่นคืออะไรสิ่งที่ควรได้คือการได้ความเข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริงการเข้าใจแบบไม่วิปริตไม่คาดเคลื่อนอีกทั้งวิชาที่ได้มานั้นเป็นธรรมที่มีสภาพบริบูรณ์โดยไม่มีความขาดตกบกพร่องฉะนั้นวิชาหรือปัญญานี้เป็นสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายพึงแสวงหานะในภาะวะเพราวสูตรในคัมภีมชิมนิกายมูลปัญนาต พระพุทธเจ้าตัดแกะชานุโสนีพรมตรัดวิชาสามก็ไว้เนี่ยบทเพลนิวาสานุสติญานปัญญาที่เป็นละเอียดถึงการระลึกชาติเป็นต้นก็ไปดูเนาะในพระวินัยก็มีในสมั อ, อในในวินัยเล่มแรกเลยนะในวินัยเล่มเลยภาวะเพราวาสูตรก็กล่าวในมันชฌิมนิก า, กายก็ตัดไว้เยอะหมดในที่ตัดเ ร, เรื่องวิชาสามนี่เนาะ คือปุเพนิวาสานนิตยานเนี่ยนะที่บอกว่าระลึกชาติเนี่ยนะระลึกชาติได้ในพวกเดียร์ถีก็ระลึกได้แปะได้สี่สิบกลับไม่สามารถระลึกชาติให้ยิ่งไปกว่านั้นเพราะเหตุนั้นสมาธิของพวกเดียร์ถีมีกําลังอ่อนเนื่องโดยปัญญาที่เกิดขึ้นนั้นปราศจากการกําหนดนามรูปไม่มีวิปัสนาปัญญาฉนั้นพว ก, พวกเดียถีพวกเดียร์ถีนี่คนก็ยิ่งระลึกก็ยิ่งมืดบอด เพราะเขาไม่มีวิวปัสนาปัญญาการระลึกของเขาก็เป็นการระลึกเพินเห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายก็เลยไม่ได้ประโยชน์ยิ่งระลึกมากก็ยิ่งสร้างโมหามากเพราะการท่านบอก ว, วิชาเนี่ยใดที่เราเรียนยิ่งเรียนรู้มากถ้าท่านผู้นั้นไม่มีวิปัสนาปัญญากำกับการรอบรู้วิชาเหล่านั้นเป็นวิชาที่สร้างโมหะเป็นการเพิ่มอาหารของโมหะ อาจราถาท่านใช้คำว่ามิจฉาวิมุตตเออไม่ใช่มิจฉาญาณนะขออภัยเป็นการเป็นการรู้ที่ผิดฉะนั้นถ้าใครไม่มีวิปัสสนาปัญญาให้ชัดเจนนะไม่เข้าใจวิปัสสนาปัญญาให้ชัดเจนและไปรอบรู้วิชาการใดๆก็แล้วแต่วิชาการนั้นๆเป็นที่ตั้งของมิจฉายานะ คือตัวโมหะแท้ไม่ได้ไม่มีฮะก็ตัวโมหังก็ตัวมิจฉายานะลยก็ตัว ว, วิมันเหมือนสภาพที่คล้ายปัญญาก็ชีพศ ก็มีโมหาแวดล้อมมีโมหาแวดล้อมมากหนาแน่นในโมหะก็ส Clear ี่สิบกลับแต่ระลึกได้แล้วมันไม่ได้เกิดประโยชน์เลยไงยึดกลายเป็นโทษกับเขาไปเลยเพราะเขาเห็นด้วยความเป็นสัตว์บุคคลหมดเลยยิ่งระลึกมากก็ยิ่งความเป็นสัตว์บุคคลมากขึ้นยิ่งระลึกมากก็ยิ่งเห็นด hmm ้วยความเป็นสัตว์บุคคลมากขึ้นไม่ได้เห ma ็นความเป็นจริงของขันธาอธิยตนะที่กําลังหมุนไปไม่เห็นสังสารวัฏ จะเห็นด้วยความเป็นสัตว์เกิดสัตว์ตายถ้าจะเห็นด้วยความเป็นเป็นโดยความเป็นธาตุของเขาก็กลายเป็นธาตุที่เป็นกลุ่มสัตสตาทิฏฐิเขาเองเห็นด้วยความเป็นไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลก็ตะเลิดไปซะอีกการที่ไม่มีวิชาที่ถูกต้องเป็นวิฉาญาณะเป็นอย่างนี้ถ้ามหาสาวกก็มหาสาวกแปดสิบองค์นะมีพระมหากัตสปาเป็นต้นก็ระลึกชาติได้แสนกับเนาะอังคารสาวก ข้างสองก็หนึ่งสงไข่พระประเจกกับพระเจ้าก็ระลึกได้สองส่วนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นระลึกได้แบบไม่มีขอบเขตจิตูัวปปาตยานก็รู้จุติและปฏิสนธิคือการเคลื่อนนี่นะการการอุบัติการตายการอุบัติปัญญาที่กําหนดรู้จุดติปฏิสนธิของสัตว์นี่นะนะมีความประณีตมีความเร็วสามต่างกันวิวพรรณหยาเป็นต้นนี่เข้าถึงอบายทุกติวินบัติหรือเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์แล้วก็ อาสวะขยายยานก็ทำอาสวะให้สิ้นเป็นต้นในอัมพัทสูตรในคำพีธีขณิกายศีรขันธวัชไปดูท่านจะกล่าวเข้าไว้ในวิปัสสนาญาณมโนมยมโนมยิทธิญาณอิทธิวิธยานที่ผสตาย า, ยานเจโตปริยญาณยาเป็นต้นอัตถกถาของขุททกานิกายปฏิสัมพิธามรักษ์ก็จะกล่าวเรื่องของอธิบายขยายความเจโตปริยญาณเาไว้เนาะ ภูเพนิวาสานุสติยานจูตูปปาตยานอาสาวะขยายานเป็นต้นนะก็ขยายเยอะแยะหมดจะไม่ลงไปในรายละเอียดแต่สรุปตรงนี้เลยว่านะสรุปตรงนี้เลยก็คือว่าวิชาของพระผู้มีพระภาคเจ้าของสาวกของพุทธเจ้านั้นเป็นวิชาที่มีวิปัสสนาญาณนาหน้าฉะนั้นเมื่อมีวิปัสสนาญาณนําหน้าวิปัสสนาญาณไปด้วยแวดล้อมอยู่ตลอดยิ่งระลึกก็ยิ่งเห็นคุณเห็นโทษของสังสารวัฏ แล้วก็เห็นความเป็นไปของกระแสขันที่วิจิตแต่ไม่ติดข้องในกระแสขันเหล่านั้นแม้กระแสขันนัองตนเองเพราะท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีวิปาาัสสนาญาณแวดล้อมชัดเจนแล้วสาวกหรือเราท่านทั้งหลายถ้าจะรู้เรื่องญาณทั้งหลายก็ขอให้วิปัสสนาญาณนั้นเป็นตัวนำหน้าตามเยี่ยงอย่างเดินตามรอยบาตรพระศาสดาอย่างนั้นถึงจะไม่หลงทาง ถ้าอย่างนั้นในสุดจริงๆเราก็ไปเคารพเกจีอาจารย์ทั้งหลายซึ่งไม่ใช่สารณะเลยเราไปดูว่าโอ้ยท่านตรงนั้นมีฤทธิ์มากมีอะไรมากไม่ใช่สารลนในพระศาสนายิ่งเห็นฤทธิ์เห็นอิทธิฤทธิ์ต้องไปเห็นโทษของสังสารวัฏถึงจะชัดนี่เข้าใจเนาะประการต่อมาก็คือว่าอะไรจารณะเนาะจารณะเนี่ยก็แปล คำจรณะก็แปลว่าการไปหรือการเที่ยวไปก็ได้หมายถึงความประพฤติความที่พระบรมศาสดาเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความประพฤติด้วยการปฏิบัติการที่ประพฤติการปฏิบัติของพระองค์นั้นบริบูรณ์โดยไม่มีความตกขาดตกบกพ้องั้นเจรณะของพระบรมศาสดาก็มีศีลเนาะมีศีลศีลในที่นั้นก็คือศีลรัศมีทางไงถึงพร้อมด้วยศีลเนาะถึงพร้อมด้วยศีล เขาเจรนาความประพฤติปฏิปทาครอปฏิบัติเป็นหนทางให้บรรลุอะไรบรรลุนิพพานพระองค์จรนาของพระองค์บริบูรณ์ตรงนั้นศีลสัมปทาและ ก, ก็คือปาฏิโมกขั้งวรศีนั่นเองปฏิโมกขังวรศีลสํารวมในพระปาฏิโมกเป็นลายยาวเล ย, ดยเดี๋ยวนี้ใช่ไหมไล่ถึง้งนั้ว่าสํารวมในพระปาฏิโมกถึงพร้อมด้วยอาจารและโคจระมีปกติเห็นภัยในโทษแม้น้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายแล้วคำว่าสมาทานสมาทานวันนี้วันพระเนาะคำว่าสมาทานอยู่ในสิกขาบททั้งหลายสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายสมาทานยังไงตันชากัูวิสุงวิมยังพันเตวิสุงวิสุงหลักนัทายะติสารณี น, สนาสณะฮะอัฏะ ศีล่ะนิยาจะหมาย่างนี้บ่นี่คือสมาทานนี่บ่เราไปเข้าใจคําว่าสมาทานแคบมากคิดในใจได้ไหมไม่ต้องเปล่งวาจาได้ไหมให้คําว่าสมาทานเนี่ยเปล่งวาจาคิดในใจน้อมและลึกเอามาไขครัวเอามาตรึกเป็นเรื่องของสมาทานบุลุ ตั้งใจบ่อยๆระลึกเอาศีลมานั่งทบทวนเดี๋ยวนี้ก็คือสมาทานว่าจะไม่ใล่วงละมิดว่าจะรักษาให้ดีไม่ให้ขาดไม่ให้ทําลายเนี่ยแล้วมาตรวจสอบทุกๆเวลาระลึกแล้วมาตรวจสอบระลึกแล้วลกกมาตรวจสอบเนี่ยตอนนี้ศีลยังเหลือไหยถ้ายังไม่เหลือสมาทานสมาทานย้ำก็ยังจะไปอยู่แล้วนี่ไม่ได้ต้องให้ให้บริสุทธิ์เอามาขัดเกลาไปเรื่อยๆรืยๆแล้วเขาเข้าใจชัดเอางี้ เออมีเงินน่ะเราเก็บเงินไว้แล้วต้องคอยหมั่นตรวจสอบบ่อยๆไม่เหลือเท่าไหร่ตรวจสอบไหมทำไมตรวจสอบเนอย่างนี้เขาเรียกว่าคนดูแลทรัพย์ไม่เป็นใช่ไหมคนเลี้ยงโคอ่ะเวลาเอาโคออกไปหากินนะ เวลาเป็นนั่งแล้วโคไม่ก็กินหญ้าอยู่แล้วข้างางที่โคกินหญ้าอยู่มันมีข้าวของชาวบ้านเขาทํายังไงต้องคอยถือไม้คอยต้อนอยู่เลยไหมค อ, คอยคอยคอยต้อนไหมให้ยอมารีไม่ใช่เดี๋ยวข้อเท็จจริงเนี่ยถ้าโคไปกินข้าวกล้าเขาเขาปรับเอาไหมเขาปรับไหมเขาปรับไหมมันปรับเลยแหละโอ้โหเป็นโทษไม่ต้องไงกินข้าวก็ดูสิ มันต้องถือไม้คอยวิ่งต้อนซ้ายต้อนขวาอยู่นั่นแหละแม้แต่ไปนั่งอยู่ก็ต้องไม่แล้วต้องคอยตรวจดูตลอดเวลาต้องคอยนับโคไหมมีกี่ตัวงั้นเขาไม่จ้างหรอกคนเลี้ยงโคเนี่ยคือเขาจ้างมาไอทีเนี่ยไม่ใช่เจ้าของเลี้ยงเนี่ยนะเจ้าของก็ปล่อยโคมาห้าสิบตัวเนี่ยแปลว่าคุณต้องเลี้ยงโคคุณต้องดูแล้วโคต้องไปอ้วนไหมมีอาหารกินไหมแล้วเอาเข้าคอกนับทุกวันไหมเช็คตลอดเวลาไหมโคหายไปต้องใช้ไหมมีโทษยังไงปรับยังไงก็มีเบ็ดเสร็จ ไปกินข้าวเชาวบ้านเขาเนี่ยเขาไม่ได้ไปจับเจ้าของเขาจัดการไอ้คนเลี้ยงโคเนี่ยเขาลงโทษไอ้คนเลเนี้ยงโคนะนั่นแหละรักษาศีนี่าต้องรักษาศีนมันคนเลี้ยงโคด้วยนั่นอุปมาแค่รักษาพอศีนมันเกิดขึ้นมาเหมือนคนบริโภคน้นํานมโคอย่าแค่คนเลี้ยงโคถ้าคนเลี้ยงโคก็ไม่ได้เป็นบัญเจาะโครสนี่ใช่ไหมไม่ได้บัญเะโครสไม่ได้รับไม่ได้ดื่มรสของน้นํานมโครหรอกได้แต่เลี้ยง มันต้องมาขยบขึ้นมาอีกระดับหนึ่งดูแลศีลเหมือนคนเลี้ยงโคเมื่อศีลเกิดขึ้นในจิตใจแล้วเหมือนกันได้สวยได้กินได้ดื่มน้ํานมของโคนี่เราได้ดื่มได้มีความสุขจากการ ม, มีศีลไหมมีไหมถ้ามันไม่มีเลยเนี่ยมันกลับรักษาศีลแล้วมานั่งทุกขใจกันอยู่เนี่ยมันอะไรล่ะ ศีลเนี่ยมันประกอบกับสมานัตกเวจนากับอุเบกขาในมหากุศลศีลมันอยู่ตรงนั้นนี่รักษาศีลนั่นมันนั่งเศร้าหมองอยู่เนี่ยอันนี้มันอะไรแล้วมันผิดแล้วแสดงว่าศีลมันไม่เกิดเมื่อศีลไม่เกิดกุศลศีลไม่เกิดมันก็อากุศลนั่นสิมองเห็นไหมล่ะแค่ศีลเนี่ยคนก็เดินไม่ออกแล้ว น่าจะทํากันยังไงเนี่ยน่าจะทํายังไงผู้เก่าวทําทั้งหลายก่อนหนึ่กลัทำทำวสินนั่อนอีกเ่ยกลัวสินนั่นอีกไหมเนี่ยก็จนะไปดูมันที่แค่วันเดียวก็แค่วันเดียวแค่นั้นแหละก็นอนข้างล่างก็ได้มันไม่ยากหรอก วันนี้ท้าวสะกะท่านให้ท้าวจาตัมมหาราศมาตรวจ ด, ดูสัตว์โลก <15. S 1> วันสิบห้าค่ำแล้วก็รักษาได้นี่แล้วก็อยู่มาจนจะชีวิตเราจะไปอยู่แล้วใช่ไหมก็ลองถือมั่งสิไม่เห็นจะเป็นไรเลยมันไม่ใช่หนักเหมือนกับแบกกระสอบกับข้าวสารนะมันยิ่งั้นนะมันเป็นบุญทั้งนั้นเป็นอะไร เราก็อย่าไปเราก็อย่าไปผิดมันสิมันจะไปยากอะไรของมันไน่ทำยากก็เสมอไรใช่ไหมศรัทธามีไหมล่ะมันอยู่ตรงนั้นถ้าศรัทธามีไม่ต้องไปกลัวมันใช่ไหมหนักกว่านั้นยังมีเลยคนสองร้อยกว่าข้อก็ยังเอาได้เอาอยู่ก็แค่สิบข้อแปดข้อเก้าข้อเอาไว้อยู่อเอชีวิตมีแค่นี้เองอืมน ถึงบอกว่าไงบอกว่ า, าเราเรายังไม่รู้จากอา น, นิส ง, งส์ของศีลเนี่ยถ้ารู้จักเราอยจะต้องการศีลมากกว่านี้เพราะถ้าเรารู้ว่าศีลมีคุณมีประโยชน์นั้นศีลเป็นที่พึ่งศีลเป็นสารณะศีลเป็นที่สงบใช่ไหมศีลศีลเป็นที่ปลอดภัยยังไงจะทําให้เราพ้นจากสังสารวัฏยังไงเป็นเบื้องต้นของพรหมจารย์ยังไงถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราจะปราถนาศีลที่มากกว่าห้ากว่าแปดกว่าสิบก็เหมือนกับเงินศีลเป็นอาญาทรัพย์ ถ้าเราบอกว่าเขาจะให้เงินเราสัอล้านหนึ่งเราไม่เอาแล้วค่ะฉันขอแค่สองพันบาทก็พอแล้วครับก็คืออันนี้อรียทรัพย์ศีนี่เป็นอรียทรัพย์เป็นทรั์เป็นทรั์ที่ประเสริฐเป็นทรัพย์ที่เป็นสารนิษเป็นทรั์ที่เป็นที่พึ่งศีน่ะเป็นธรรมังสารนังกระฉามินะเป็นไหมศีนเป็นธรรมังสารนังกระฉามิไหมเป็น โอศสีเนี่ยเป็นธรรมังสรารนังกฉามิใช่ไหมศีเนี่ยเป็นธรรมังสรารนังกฉามิข้าพเจ้าขอถึงว่าธรรมว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเนี่ยทีนี้ถ้าสีไม่มีอยู่ในกระแสของขันแต่แล้วเนี่ยมันจะเป็นมีสรารณะได้อย่างไงสารณะเราก็ล่วงแล้วศีเนี่ยเป็นธรรมังสรารนังกฉามิ นี่คนก็ไม่รู้สาระนะำไม่รู้เครื่องกําจัดภัยไม่รู้ที่พึ่งไม่รู้เป็นที่ระลึกเป็นเครื่องกําจัดภัยได้จริงตลอดชีวิตอัจฉริะเคปาโนเปตังบุตรทางสารังัจชามีนะฮะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าขอถึงวัฒน์ธรรมขอถึงว่าสงเนะี่ยใช่ไหมทหารก็เข้าใจอย่างนี้เนะี่ย แต่ก่อนเนี่ยนักมาเนี่ยเข้าใจว่าศีลเป็นภาระมากแต่เดี๋ยวนี้ยจึงรู้ว่าเราจะปลอดภัยไม่ได้เลยถ้าไม่มีศีลเราจะไม่มีเครื่องกําจัดภัยเลยเราจะไม่มีที่พึ่งเลยเราจะไม่มีสารณะเล ย, เลยใช่ไหมฉะนั้นเราบอกว่าทำมังสารนางกระฉามีนะี่ยใช่ไหม นั่นแหละคือศีนนั่นแหละเป็นสารณะเป็นเครื่องกำจัดไภัยได้จริงใช่ไหมเราไม่รู้ไงเนี่ยเห็นไหมตาสิโก้ควบแล้วใช่ไหม<ส>ไม่รู้ว่าศีนเป็นธรรมังสารณะกระฉามมีเอาสิเนี่ยเอาสิเ น, นี่ยนี่เนี่ย คือคือส่วนปริยัติก็ใช่ส่วนปฏิบัติก็ใช่ใชไหมส่วนเบื้องต้นก็ใช่เสื่อนส่วนถ้ำกลางก็ใช่ส่วนที่สุดก็ใช่ที่สุดจริงๆศีลไปรวมในอาราธมักไหมไปรวมที่นั่นไหมสิกขาสามไปรวมที่นั่นไหมแล้วเป็นธรรมมังไหมเนีรรมม่ยเบื้องต้นก็เป็นในขณะที่พูดเรื่องศีลก็ยังเป็นเลยส่วนของปริยัติก็ธรรมมัง ในส่วนที่กาลังปฏิบัติเป็นไปยอยู่ก็ทำมังในส่วนของปฏิบัติเอาสิในส่วนประชุมกันในการกำตัดกิเลสก็เป็นทำมังเอาสิแ้าอะไรลวไม่เป็นท้นนานเราเห็นคุณของพระพุพทธธรรมพระสงฆ์จริงๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่าสารณะของเราแท้ๆรือสีนเนี่ยอันนี้ไม่โทษโยมหรอกโทษผู้บอกไม่ยอมบอกโยมใ น, นส่วนหนึ่งใช่ัหม ทีนี้ทีนี้ปัญหาอีกส่วนหนึ่งก็คือพระก็นึกว่ายอมเข้าใจพอบอกไปแล้วเยอะบอกนายอื่นไปแล้วเนี่ยมันต้องบอกทุกนายเลยเนี่ยเท่าเท่าที่สังเกตเนี่ยอันนี้ขนาดอยู่ในแวดวงพระธรรมนะเนี่ยนี่เขียนตำราผลิตเลยนะเนี่ยเพราะได้ยินคานี้ถึงบอกตกใจอะตกใจเลย ไม่เป็นไรอะ่ะบบุญเ น, นเนี้ยไม่ตายให้ก่อนอเ น, อนีนนะ่อ่านี่คิดอย่างคนบ้าหมาดเลยนะเออได้รู้แล้วเราจะได้เข้าถึงว่าธรรมของพทธเจ้าโดยการมีศีลเนาะเป็นสารณะเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องกำจัดภัยได้จริงอืมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ไปคิด่างกัน ท, ที่จริงที่จริงอาจารย์บอกตลอดเลยเนาะบอกไม่ใช่ไม่ใช่ออกช็บอกมาตลอดนะบอกให้รักษามาตลอดใช่ไหบอกมาตลอดแต่ว่าก็ไม่รู้จะบอกอยังไงก็อบอกบอกท่านบอกอย่างนี้เออใช่นี่คือสารณะของเราเป็นสาระคําว่าสารณะคือที่พึ่งคือเครื่องกําจัดภัยกําจัดทุกข์เราไม่มีอย่างอื่นเลยพึ่งลูกหลานไ ม, ม่ที่พึ่ง ทรัพสมบัติภายนอกไม่ใย่ที่พึ่งได้แค่ชั่วขณะหนึ่งๆแต่สารณะที่แท้จริงคือเนี่ยพุทธทางธรรมมังสารานังเห็นไหมพอพุทธว่ธรรมประสงค์พูดไปแล้วใช่ไหมไปไปดูไม่อยากฉายซ้ำอีกพุทธคุณอีกแผ่นหนึ่งเดี๋ยวก็ถ่ายอาดัดให้ให้ให้กับโยมไปเอาไปฟังพระพูดคำแล้วว่าเชื่อมโยงยังไงโดยโดยสภาวะประมาท เพราะเดี๋ยวก็จะวนอยู่กับเรื่องเดิมๆนี่แหละนี่อนามาเลยเสียหลักอยู่กันอย่างเงี้ยใครไปก็วนเรื่องเดิมวนเรื่องเดิมเนี้ยไปไปเรื่องอื่นไม่ได้สักทีเลยนึ่งเนี้ยนะนี่เข้าใจนะอะ ต, ต่อไปก็นี่คือศีรักสประทาก็คือว่าปฏิโมก ส, สังวรศีลเนาะถึงพร้อมโดยอาจารและโครจรมีปกติเห็นไผในโทษแม้เพียงเล็กน้อยว่าเป็นไผสมาทานศึกษาในสิก ข, ขาบททั้งหลาย ออสมาทานอยู่ในศิกขาสมาทานอยู่ในในศิกขาบทอยู่เนี่ยสมาทานศึกษาอยู่สมาทานศึกษาอยู่ ใ, ในศิกขาบททั้งหลายศึกษาสิกข า, าสาาิกขาส river, family, ิกขาไม่ใช่คำว่าสําเนียกก็ได้ไม่ใช่คำว่าสิกติสําเนียกก็ได้ศึกษาก็ได้ใช่ไหมและอีกคํานึงแปลว่าอะไรถ้าภาษาโบราณยิ่งก็ใช้คําว่าสําเนียก สำเหนียกในกุศลศีลศึกษาในกุศลศีลเพียรพยายามในการเอากุศลศีลมาเกิดขึ้นในใจให้ได้นี่ก็เรียกสมาทานถ้าหากหายไปดึงกลับมาเข้าในใจให้ได้หายไปดึงกลับมาเข้าในใจให้ได้เนี่ยพูดอย่างเงี้ยให้เข้าใจอัตถะอะไลึกให้เกิดให้ได้ให้เกิดในใจให้ได้ถ้าศีลเกิดสังเกตตรงไหนศีลเป็นปฏิปักษ์ต่อความโกรธนะ สมาธิเป็นปฏิบัติต่อความโลภปัญญาเป็นปฏิบัติต่อความหลงเนาะไอศิษยาสามมันจะเดินได้จากการดูแลศีลยังไงนะเอาศีลสมาธิปัญญาเนาะเพราะศีลไม่เกิดสมาธิไม่ต้องพูดถึงปัญญาจบเพลเลยเนาะฟังตรงนี้เกิดปัญญาเกิดปัญญาแล้วจะ ไ, ดไปดูแลศีลได้ถ้าเป็นตรวจสอบดูแล้วตอนนี้ไม่มีศีลใช่ไหมเอาปัญญาแหละไปไปดึงศีลมาเข้าสู่ใจนะเอาปัญญาไปเอาขอ้อศีลมาเข้าใจไหม เอาไปดึงก็ไม่เกิดเพราะที่ใจมีศีลแล้วกายการประจีกรรมมโนกรรมเป็นยังไงอกายก็สุจริตประจีก็สุจริตอาชีพบริสุทธิ์ไหมอาชีพก็บริสุทธิ์นี่มองเห็นไหมแล้วก็เดินยังไงอย่างผู้มีศีลนั่งยังไงอย่างผู้มีศีลใช่ไหมนอนยังไงอย่างผู้มีศีลยืนเดินนั่งนอนยังไงอย่างผู้มีศีลพูดยังไงอย่างคนมีศีลขยับขยื้อนเคลื่อนกายยังไงอย่างผู้มีศีล มองยังไงอย่างคนมีศีลมองฟังยังไงอย่างคนมีศีลดมกลิ่นยังไงอย่างคนมีศีลริมรสยังไงมีศีลสัมผัสยังไงมีศีลคิดมึกยังไงอย่างคนมีศีลนี่อินทรียังกวนก็เริ่มมาปิดปุบปบปุบปุปุนี่เป็นอินทรีย์สังกวนศีลเลยมองเห็นไหมมันเป็นอย่างงี้นี่เราได้ทํามังสารนักฉามีแล้วนี่ให้พระทำนี่คือหลักศีลแล้วต้องเอาไปให้เกิดได้จริงๆเอางี้นะ ไปรับเงินจากพ่อแม่พ่อแม่ให้เงินยอมมาลีไปเอาลูกเลยเอาเงินไปสองร้อยไปลงทุนเนาะพ่อแม่ให้ตังค์ไปปุ๊บเอาเงินสองร้อยไปไปลงทุนพอรับสองร้อยไปแล้วไปทำอะไรเอาไปลงทุนให้มันงอกเงยใช่ไหมนี่ก็เหมือนกันรับศีลจากพุทธเจ้าไปเอาศีลห้าไปเอาศีนแปดไปเอาศีลสิบไปสองรอยี่เจ็ดไปเอาไปทาให้มันเจริญเอาไปลงทุนนั่นแหละ ไปเดินยังไงไปยืนยังไงไปนั่งไปนอนยังไงให้กุศลศีลนะ่ะมันพลั้งพลูนี่เขาเรียกว่าไปบริหารศีลเขาจะยังทำศีลให้มีกำลังเพื่อจะเป็นปจัจจัยแกสมาธิและปัญญาเขาทำกันอย่างนี้ที่มารับศีล เ, นะเนี่ยเียนี้มันรับแล้ววางแผลวางแผลกันนี่เนี่ยล่วงหมนแล้วเนี่ย ก็อย่างเนี้ยอย่างที่ยกตัวอย่างเนี่ยเอาเงินไปสองร้อยไม่ใช่มาดูอีกวั น, นมันหมดไปซะแล้วหรือ <c oughs> มันไม่งอกเงยเป็นเงินพันเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านไปเป็นมหาเศรษฐีอ่ะอันนี้ท่านต้องการให้ศีลไปเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อจะเอาศีลนั้นเป็นปจัจจัยแก่นู้นบรรลุนิพพานเนี่ยแล้วตอนนี้บรรลุอะไรกันบ้างหรือย่างเนี่ยบรรลุกันได้อย่าง ที่ปัญหาก็อย่างที่บอกไนงะบอกว่าบางทีก็คนเลี้ยงโคมันจะไม่ได้ประโยชน์จากการเลี้ยงโคมันก็โจนอยู่นั่นแหละเมื่อหลายเมื่อหราเจนแก่แล้วก็ตายไปก็อาชีพเลี้ยงโคนันแหละไม่ใช่พุทธประสงค์เลี้ยงโคมันต้องได้ดื่มน้ำนมโคสิ สีเนี่ยมันสมาทานเองก็ได้ ไ, ดม ไ, มไม่ใช่คื อ, ค, อ, อ, อ, อคือปัญหาก็คือบอกว่าเพราะมันต้องสมาทานเองทุกวนันอันนี้มันคือรูปแบบการสมาทานต้องสมาทานวันหนึ่งสักผันครั้งสักหมื่นครั้งก็ได้ คือการระลึกได้เนาะนั้นตรงนี้เ็าเรียกว่าสีรสัมัทาแล้วก็อินทรีสังวรก็คือปิดบาปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนาะทั้งรวมนั่นเองปิดอภิชาและโทมานัตโพชเนมตันยุตาก็อะไรรู้จักประมาณนะในการบริโภคหรือการพิจาราะยแยบคายแล้วก็บริโภคนั่นแหละชาคณิยานุโยกประกอบหนึ่งเนืองซึ่งความเพียรเป็นเครื่องตื่นเสมอ ไม่ยินดีในการนอนมากนะแม้จะนอนกระทรงกําหนดไว้ในใจในเวลาที่จะตื่นเป็นต้นแล้วก็มีศรัทธาศรัทธาตรงนั้นก็เป็นชื่อของในพระรัตนตรัยก็คือเป็นกุศลธรรมฮิลิโอดปะเป็นพระหูสูตรนี่พูดไปแล้วเนาะมีวิริยาารลความเพียรละกุศลธรรมมีสติประกอบด้วยสติปัญญาเครื่องรักษาตนระลึกได้ตามระลึกได้เป็นต้น แล้วก็มีปฐมฌานทุทตทิยฌานตาทธิฌานจตุทธฌานเนาะเป็นต้นนี้เขาเรียกว่าจารณะทีนี้ในการแบ่งในจรณะมีสิบห้าเนี่ยนะทำเจ็ดประการก็คือศรัทธาสติหิริอตตะปะวิรยิยะพหุิสัจจะและปัญญานี่รวมเป็นพระสัทธรรมเจดประการนี้เป็นธรรมของสัตว์บุรุษซึ่งเป็นผู้สงบจากบาปอากุศลธรรม ท, ทั้งหลาย การแสดงพระสัตว์ธรรมเจ็ประการนี้เป็นการแสดงแบบกลางๆทั่วไปส่วนข้อธรรมอีก4ี่นั่นคือสีรสสัมปทาอินทรีย์สังวรโภชเนมาตัญยุตาและชาคริยานุโยกเนี่ยจะเป็นองค์ประกอบของความประพฤติรวมเป็น11นี้ท่านจัดเป็นแผนกหนึ่งส่วนชาสี่มีปฐมช า, าชาตูตีอาชาตาตีอาชาจิรุชานเนี่ยรวมกันอยู่เป็นเจรณะ15ด้วยแต่จัดไว้อีกแผนกหนึ่งใช่ไหมในบทพุทธคุณที่บอกว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ถึงพร้อมในวิชาเจรณาวิชาสามหรือวิชา8 ตลอถึงจารณะรวมเมตเสร็จเป็น15ข้อแม้พระอริยาสาวกทั้งหลายก็อาจจะมีได้แต่การถึงพร้อมได้วิชาและจารณะของภาษาวกไม่เหมือนอย่างพุทธเจ้าพุทธเจ้านั้นวิชาและจารณะนั้นเป็นผู้บริบูรณ์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจารณะจริงๆวิชาเพราะอาจว่าได้สิ่งที่ควรได้ก็คือได้ตามความเป็นจริงดังที่ได้กล่าวเนาะนั้นวิชาก็คือทําอารมณ์ของตนให้ปรากฏก็บอกว่าเพราะเป็นที่พระโดงถึงพร้อมด้วยไม่เหมือนภาษาวกทั้งหลายเป็นผู้ไม่ถึงพร้อม ดังที่ได้กล่าวว่าในอัมพัทสูตรเป็นต้นเนี่ยก็ตรัสในเรื่องของมโนโมยิทธิเป็นต้นเหล่าเนี่ยนะทีนี้ในพิญญาหกก็ได้แก่พิญญาห้ามีอิทธิวิธีเป็นต้นแล้วกําหนดอาสวะขย้านยานเป็นที่สุดเนาะก็ถืออาวิชาสามและวิชา8ดในพระสูตรบัณฑิตก็เห็นเพิงเห็นอธิยาศัยของเวนยัยสัตว์สัตธรรมเจ็ดังที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยศรัทธาความเชื่อหิริความเกลียดกลัวบาปโอตปะเออฮิริความวบาบะลามะอายโอตปะความกลัวพูงศรัจธาเป็นผู้มีสุดตาำ ม, มากวิทยะความเพียรสติก็ระลึกได้ ปัญญาความรอบรู้ถึงพร้อมไในตรัสไว้ภิสูจนในศาสนานี้เป็นผู้มีศรัทธามีฤทธิมีอดตระปลมีเป็นพหูสหูโเป็นผู้มีความเพียรนันปารุบและเป็นผู้มีสติก็ไปตั้งมั่นแล้วมีปัญญาอย่างนี้นี่คือพระสัตธรรมชาติสี่ก็มีปฐมวชานเป็นต้นท่านก็กล่าวบอกว่าวิจาและเจรณะทั้งสิบห้ามีศิลเป็นต้นตรัสเจรณาเพราะเหตุลายเพราะเหตุนั้นอาจารย์กล่าวว่าทำสิบห้านั้นเป็นคุณเครื่องให้สาเร็จโดยส่วนเดียวที่จะเป็นปัจจัยให้เข้าถึงพระนิพพานได้ สิง่งต่างๆเหล่านี้เป็นคุณธรรมที่เป็นปัจจัยในการที่จะพ้นทุกข์ให้ถึงพันิพยานโดยการรวมเข้าในสิกขาสามเบ็ดเสร็จเหล่านี้นะถ้าแยกออกมาก็คือศีลสมาธิปัญญาถ้าย่อลงไปนะก็คือเป็นการกล่าวศีลสมาธิปัญญานั่นแหละทีนี้สิกขาสามเนี่ยนะเป็นข้อปฏิบัติที่จะทําให้สัตว์นั้นบรรลุพันิพยานเป็นข้อปฏิบัติที่จะทำให้สัตว์ น, พพ น, น, น, ททนั้นพ้นจากสังสารวัตรใช่ไหม อาจจะมองไปในส่วนของโพุทชงเจดบ้างอริยามรรคมีองค์แปดบ้างสติปทานสมปัติทานอิทธิบาทอิศิปลาละพุทธชงอก็อยู่ในกลุ่มของจรณะนี่แหละเนาะทีนี้การถึงพร้อมได้วิชาและจรณะในสาวกนั้นไม่สามารถมีได้อย่างที่ได้กล่าวความถึงพร้อมได้วิชาและจรณะนั้นไม่เหมือนพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้านั้นอ่ะเป็นสัพพัญยู วิชาที่เป็นเหตุถึงการสิ้นอาสวะก็ทําให้พระพุทธเจ้านั้นเป็นสัพพัญญูเนาะการถึงพร้อมด้วยวิชาและจริญของเจรณญของพระพุทธเจ้านั้นทรงประกอบด้วยพระมหากราุณาเลยเต็มอยู่เขาบอกว่าความที่กรุณาพรหมวิหารเป็นธรรมที่นับเนื่องอยู่ในเจรณญธรรมเอาสิในเจรณญนาธรรมสิบห้าเนี่ยมีกรุณานี้นั้นด้วยภาวะที่ยังลงในฌานทั้งสี่ใช่ไหมในฌานสี่มีกรุณานอยู่ในนั้นด้วยปฐมฌานทุติยฌาน และกรุณาพระวิหารนั้นมีภาวะไม่ทั่วไปด้วยอำนาจถึงกรุณาสมาบัติทีนี้กรุณาสมาบัติได้มีอยู่ในพระผู้มีพระาคเจ้าพาุทธเจ้ามีมหากรุณาสมาปฏิยานเนะาะการทรงหลีกเลี่ยงความชิบหายความวิบัติแล้วก็ชักจูงสัตว์ให้ทั้งหลายเข้าหาประโยชน์ถามว่าการที่พระบรมศาสดานั้นที่บอกว่าหลีกเลี่ยงในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ แล้วการให้สัตว์ทั้งหลายออกหรือหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ชักนําสัตว์ทั้งหลายใหเข้ามาสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือชักจูงสัตว์ทั้งหลายใหเข้ามาในสิ่งที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะน้อมให้สัตว์ทั้งหลายเข้าถึงปรามัตถประโยชน์ที่สูงสุดคือความสิ้นทุกเ น, นี่ยเว้นจากพระปัญญาแล้วย่อมมีไม่ได้ชั้นใดการทรงรู้ประโยชน์และความวิบัติของสัตว์เหล่านั้นเว้นจากกรุณาของพระศาสดาก็ย่อมมีไม่ได้เหมือนกันชั้นนั้นฉะนั้นพพุทธเจ้านั้นเป็นผู้มี พระปัญญาและพระมหากรุณาดุดห่วงมหานนบพระปัญญาและพระกรุณาทั้งสองจึงมีกิจร่วมกันทีเดียวในกิจทั้งสองในธรรมทั้งสองเหล่านั้นความที่ธรรมชาติใดเป็นประธานเพื่อความแสดงความธรรมชาตินั้นบอกว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงรู้ประโยชน์และความวิบัติของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยด้วยความเป็นสัพพัญญูดังนี้บอกว่ายท่าตังวิชาจารณาสัมปโนตังเป็นนิบาตนะ ว่าท่านพูดอื่นพูดถึงพร้อมด้วยวิชาและเจรณะก็ย่ำชักจูงฉันใดแนมะ้พระพุทธเจ้ากระฉันนั้นท่านก็เลยกล่าวบอกว่าอันตันตะปาทยโยที่บอกว่าที่บอกว่าท่านถือเอาบุคคลที่ทําผู้อื่นให้เดือดร้อนและบุคคลที่ทั้งสองฝ่ายให้เดือดร้อนครับที่ปัญหา ก, กว่าตอนนี้ว่าพระพุทธเจ้านะั้นเนี่ยบอกนี้เป็นข้อปฏิบัตินะว่าพูดถึงพร้อมด้วยวิชาเจรณะนะ พูดถึงพร้อมได้วิชาจารณนะอย่างภาษาสดา ห, หรือพรุทธเจ้าเนี่ยเป็นเหตุด้วยส่วนเดียวแห่งการปฏิบัติชอบของสาวกของทั้งหลายเพราะความที่ศาสนาเนี่ยศาสนาประมาจย์คือศิกขาสามเนี่ยเป็นพระธรรมที่นําสัตว์ออกจากวัตถทุกมิชาติทุกชราทุ ก, ทกมโนนทุกเป็นต้นใช่ไหมก็คือว่าการถึงพร้อมได้วิชาและจารณนะด้วยการถึงพร้อมด้วิชาย่อมเป็นอันภาษาสดาที่ภาษาสดาเป็นผู้ยิ็นใหญ่ในทางปัญญาเนี่ยก็หมายความบอกว่าด้วยการถึงพร้อมด้วยจารณะ เป็นการประกาศถึงความที่菩萨สดาเป็นใหญ่ในพระกรุณาเอาอนะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยถึงพร้อมในวิชานั้นประกาศถึงอะไรประกาศถึงที่พระบรมศาสดาเป็นใหญ่ในทางปัญญาใช่นะไหมว่าในบรรดาวิชาแปดวิปัสนาญาณอิติวิททะมโนมยิทธะนะที่ประสูติปุเพนิวาสานุติยานจุตุลและอัศวคยายานมีใครถึงพร้อมเท่า菩าสดาไหม ฉะนั้นการที่พบบอกว่าพระพุทธเจ้านั้นถึงพร้อมด้วยวิชานั้นเป็นการประกาศพระปัญญาคุณทีนี้ในเจรณะมีศีลอินทรียส์สังวรโภชเนมาตาญุตาชาคริยานุโยกสตาหิริโอตตาปะพระหุสัจจะวิรยิยสติปัญญาแล้วก็ปัตมะฌานทุติยฌานตาติยฌานจตุทะฌานในเจรณะ15เนี่ยที่พระพุทธเจ้าถึงพร้อมด้วยจรณะนั้นเป็นการประกาศความเป็นศาสดาพูดถึงพร้อมด้วยในทางพระมหากรุณา เห็นไหมว่าอ๋อวิชาถึงพร้อมในวิชานั้นประกาศถึงพระปัญญาคุณถึงพร้อมในเจริญนาสิทห้านั้นประกาศถึงพระมหากรุณาธิคุณในธรรมทั้งสองอย่างนั้นน่ะพระผู้มีพระภาคทรงถึงความเป็นพระธรรมราชาด้วยพระปัญญาใช่ไหมเพื่จะเป็นธรรมราชาเป็นธรรมสามีเป็นราชาเป็นเจ้าของธรรมเป็นเจ้าของธรรม เป็นเจ้าของศีลสมาธิปัญญาเป็นเจ้าของสิกขาสามใช่ไหมผู้ทด้จานั้นเป็นธรรมราชาเป็นราชาที่เป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้ผลิตพระธรรมเนี้ยเป็นผู้กล่าวธรรมเป็นผู้รู้ธรรมเป็นผู้แทงตลอดธรรมแล้วก็เอานำพระธรรมรัตนะเนี่ยมาแจกจ่ายให้ให้สาวกใครที่ได้รับลดพระธรรมของท่านแล้วก็บรรลุตามท่านก็เรียกว่าเป็นสังฆะ